แต่อยู่ในโลกแม้จะไปในที่ใดก็ตามในส่วนกายก็ไปในมนุษย์โลกส่วนจิตใจไปตามธรรมะของใครก็มันส่วนชะกละกายไม่แน่นอนแต่ก็แน่นอนอยู่ในมนุษย์โลกในเวลาที่ไม่สิ้นลมตาโลกทั้งปวงยื่นลงมาเป็นโลกเดียวกัน โลกที่เกี่ยวกับมหาภูตธาตุก็มีธาตุดินน้ำไฟลมมีวิญญาณเป็นผู้คลองสิงมนุษย์โลกเทวโลกพรห ม, มโลกสัตว์โลกก็มีดินน้ำไฟลมเป็นตัวประธานเป็นมหาภูตธาตุเป็นมหาภูตธรมตรม ส, สั้างหลายผู้่องเที่ยวอยู่ในโลก ดินโลกน้ําโลกไฟโลกลมเหล่านี้จัดเข้าในสังขารโลกโลกคือสังขารเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแล้วแตกสลายไปเป็นยุกยุคเป็นรอบรอบอยู่เป็นหนึ่งในขาใจสังขารหากเกิดขึ้นสังขารหากตั้งอยู่สังขารหากแปรปรวนสังขารหากหลับไปนี่เกิดขึ้นเึ็นเบื้องต้น มีแปรปวนเป็นข้ากลางมีดับเป็นสุดท้ายแต่ก็วนไปวนมากันอย่อยางนั้นเรียกว่าลบกลุ่มกลมพระบุญพระบุญเวียนเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกสลายติดต่กอกันอยู่ไม่ขาดสายขอละเอียดก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดแปรปวนอย่างละเอียดแตกสลายไปอย่างละเอียดของอยาเขาเกิดขึ้นอย่างหยาบแปรปวนอย่างหยาบ แตกสลายไปอย่างหยาบๆวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นอกจากสังขารไม่มีอันใดจะเกิดขึ้นและไม่มีอันใดจะแปรปรวนและไม่มีอันใดจะดับไปสังขารเท่านั้นเกิดขึ้นสังขารเท่านั้นแปรปรวนสังขารเท่านั้นดับไปอันจังเท่านั้นเกิดขึ้นอันจังเท่านั้นแปรปรวน อนิจจังเท่านั้นดับไปทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นแปรปรวนทุกเท่านั้นดับไปก็มีความหมายเดียวกันอนิจจตาธรรมเท่านั้นเกิดขึ้นอนิจจตาธรรมเท่านั้นแปรปรวนอนิจจตาธรรมเท่านั้นดับไปอนิจจตาธาตุเท่านั้นเกิดขึ้นอนิจจตาธาตุเท่านั้นแปรปรวน อันนี้จตตาธาตุเท่านั้นดับไปก็มีความหมายอันเดียวกันอันนี้จตตาทำเท่านั้นครองโลกทุกขตาทำเท่านั้นครองโลกอ น, นัตาตาทำเท่านั้นครองโลกก็มีความหมายอันเดียวกันจะหั่นห่ําสังขานให้เป็นไปอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้มีหน้าที่จะรู้ตามเป็นจริงด้วย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 ไมได้ยืนยันว่าข้าพระเจ้าเป็นธรรมของผู้ใดเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ขาดช้ายไม่ขาดระยะไปจำโลกยููไม่ได้อิโนูอิเนกับผู้ที่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ้กคนละกายก็อันเดียวกัน้คสกุลละกองนาวลูกก็อันเดียวกันไม่อิโนูอิเนกับผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อมาปฏิเสธไม่มันปฏิญญาเก็บใครด้วย เป็นจริงอยู่อย่างนั้นยะขาภูตังสัมมัปปัญญายัตถะพังเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถือภระบรมศาสด า, ศาจิตใจของเธอทั้งหลายเคยยึดมั่นถือมั่นหากเจ้าปล่อยเองวางเองไปตามสภาพดอกเนตังมะมะเนสหมัชฌมิตรเนสโอะอจาติป ก, กดีเวสนากดีสัญาสญากดีสังขารกดี ที่บัญญัตวิวารูปขันนามขันที่บัญญัตวิวาสังขารที่บัญญัตวิวาโลกที่บัญญัตวิวาทุกท่านทั้ ง, ทงหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดส่งคืนเถิดส่งคืนความเข้าใจติดของตนเถิดธาตุก็ส่งคืนให้ธาตุธรรมก็ส่งคืนให้ธรรมที่บัญญัตวิวาขันก็ส่งคืนให้ขันเธอทั้งหลายอย่าเข้าไปสอดแท่งยึดถือเอาเป็นเจ้าของ ถ้าเธอทั้งหลายเข้าไปสอดแทรกก็ถือเอาเป็นเจ้าของเลเมื่อไม่อยู่สมประสงค์เธอทั้งหลายจะลินดินลนกวาดแกงจิตใจของพวกเธอก็เดือดร้อนจิ่งเานั้นไม่รู้อิหนอิหรืออะไรดินก็ส่งคืนให้ดินน้ําก็ส่งคืนให้น้ําไฟก็ส่งคืนให้ไฟตามสมมุติลมก็ส่งคืนให้ลมตามสมมติที่เรียกว่ารูปประโลกที่เรียกว่ารูปประขันที่เรียกว่ารูปประธา เนธนาสุขทุกอเบีขาก็ดีสัญญาก็ดีสัญญาจำลูกจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโปรดจัพระจำธรรมารุมก็ดีสังขารเทปรุงเก่แต่งแห่งกิดก็ดีวิญญาณเทรู้จากทางตาหูจมกูกริมกายใจก็ดีเธอทั้งหลายจงสงคืนเสียเถิด อ, อย่าไปชี้ไปต้นเลย ต้องปล่อยวางตามสภาพสีถ้าว่าเธอมายึดถือเอาเป็นเจ้าของเลยความเดือดร้อนของเธอทั้งหลายก็จกไม่มีถ้าว่าเธอทั้งหลายยึดถือเอาเป็นเจ้าของเลยความเดือดร้อนของพวกเธอทั้งหลายก็มีเพราะพวะกปณีเวทนากรณีสัญญากรณีแขงขานกรณีหลุ ด, ดเหมือนหัวสีเกิดขึ้นแล้วก็แปรแตกสลายไป ห ร, ห, นนหรือเหมือนต้นกล้วยหรือเหมือนจอมนาหรือเหมือนผาาชนะดินเณธนาเณรธนานี้สัญญานี้ดักเร็วนะเหมือนพยับเดชสิ่งที่เกิดขึ้นแปรควนได้แจกสนายบรรจุอยู่ในโลกนี้แล้วเธอทั้งหลายจงหัดแคร้จามเป็นจริงเถิยถดยะขาฟูจังสัมมัตปัญญายทัฐถัง จงทรงคืนยากโกปะเทนิสโคมุตติอนาลโย وم, อย่าได้อะไรเลยอย่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสั ต, เ ป, สตเป็นบุคคลจงทำจิตใจของพวกเธอให้ว่างว่างจากสัตจากบุคคลเสียเถิม น, นิมิตทั้งหลายก็คือรูปนิมิตนั่นเองเมตนาัญญาทังขานวิญญาณเป็นนิมิตฝ่ายนาม ดินน้าไฟรมเป็นนิมิตฝ่ายรูปนิมิตทั้งหลายเหล่านี้แหละเกิดขึ้นแล้วไปปวนและแต่สลายจงพิจารณาด้วยปัญญาชัดสมมุติเธอทั้งหลายจงส่งคืนตามสมมุติเถือนิมุตเธอทั้งหลายก็ส่งคืนตามานิมิตพวกเธออยากเข้าไปสอดแทรกในส่วนทั้งสอง เมื่อพวกเธอเข้าไปสอดแจ้งในส่วนทั้งสองแล้วอุปาท า, านของพวกเธอก็ยึดแน่นเมื่ออุปทานของอุปทานของพวกเธอก็ยึดยึดแน่นเข้าแล้วชาติพบก็เกิดขึ้นในที่นั้นทันทีกามาพบรูปประพบอารูปประพบก็เกิดขึ้นในที่นั้นทันทีเมื่อเธอทั้งหลายไม่เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแลยสิ่งทั้งปวงก็อยู่ตามสภาพ จิตใจของพวกเธอทั้งหลายก็อยู่ตามสภาพธรรมทั้งหลายก็อยู่ตามสภาพไม่ไปขี้ไม่ไปปล้นกันไม่ไปรักขัดสักถอนกันรูป ก, ก็เป็นแต่สักว่ารูปเสียงก็เป็นแต่สักว่าเสียงกลิ่นก็เป็นแต่สักว่ากลิ่นรสก็เป็นแต่สักว่ารสลิ้นก็เป็นแต่สักว่าลินกายก็เป็นแต่สักว่ากายปวดพะมากระทุกกายก็เป็นแต่สักว่าปวดพะมากระทุกาย ใจก็เป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงสิตตานุปัญนาท่านั้นทำก็เป็นแต่สักว่าทำเป็นเพียงธรมมานุปัญนาตอ น, นั้นเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้เป็นนักยี่นักต้นจงปล่อยวางเสียถือภาระจะหมดไปปัจจุบันอดีตอนาคตเธอทั้งหลายจงรู้จำเป็นจริง อดีตก็คือกองรูปขันนิ้นามขันที่ลวงมาแล้วอนาคตก็คือกองรูปขนันนามขันที่ยังมาถึงปัจจุบันก็คือกองรูปขนันนามขันที่กําลังเป็นอยู่เธอทั้งหลายจงปล่อยวางเสียถือจึงเป็นธรรมอันสูงจึงเป็นจิตใจอันสูงจึงเป็นมหาเสีลจึงเป็นมหาสมาธิจึงเป็นมหาปัญญาจึงเป็นมหาเวมุติจึงเป็นมหานิพพาน ลมเข้าลมออกก็เป็นแต่สักว่าลมเข้าลมออกคือรูปขันความสวยอารมณ์ในเวลาลมเข้าลมออกอยู่ก็เป็นแต่สักว่ามีธนาขันสัญญาความจําว่าลมลมก็เป็นแต่จักว่าสัญญาสังขารตรงแต่งในเวลาลมเข้าลมออกในขณะจิตที่นึกคิดไปทางดีก็ดีทางตัวก็ดีก็เป bon. ็นแต่สักว่าสังขารวิญญาณความรู้ในทางธรรมมาลมก็ดี Perfect. ในทางตางหูจมูกเลี้นกายใจที่ส่งมาในปัจจุบันหรืออดีตอนาคตก็ดีก็เป็นแต่สักว่าเท่านั้นไม่อยู่ในอำนาจของใครหรอกแต่สัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชากัณหาอุปท า, านเข้าไปขี้ไปป้นไ ป, นปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งใดที่มีผู้ไปไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นจะเป็นของไม่มีโทษย่อมมมีในโลกธรรมช า, าสูง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 ท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงถืออย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของกลายเป็นแต่สักว่ากายเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาจิตเป็นแต่สักว่าจิตธรรมเป็นแต่สักว่าธรรมทรงคืนหมดสรงคืนไว้ตามเดิมสมมุติก็ส่งคืนตามสมมุติไม่มุติก็ส่งคืนตามมเมื่อก็ส่งคืนให้มื่อสว่างก็สรงคืนให้สว่างโง่ก็ส่งคืนให้โง่ฉลาดก็ส่งคืนให้ฉลาด ไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาง่เป็นเราเราเป็นง่ไม่สอดแทรกไปยึดถือเอาฉลาดเป็นเราเราเป็นฉลาดภาระทั้งหลายของพวกเธอจะหายไปเอสาวันโตทุกขะย่อมเป็นที่สุดแห่งกองทุกภาระไม่มีในท่านผู้ใดผู้นั้นปรงภาระแล้วภาระจะไม่มีก็เพราะเห็นอนัตตาธรรมจัก บาปก็ส่งคืนให้บาปบุญก็ส่งคืนให้บุญไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจก็ส่งคืนให้ใจธรรมก็ส่งคืนให้ธรรมลูกก็ส่งคืนให้ลู ก, กอย่าเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเห็นก็ส่งคืนให้เห็นอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเห็นก็เป็นแต่สักว่าเห็นรู้ก็เป็นแต่สักว่ารู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยมเมื่อเธอทั้งหลายเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนั้น ความเดือดร้อนของพวกคือกว่าหายไปไม่มีประตูจะมาอีกนั่งก็ให้รู้จักตามนั่งตามสมุติแต่ไปยอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของนอนก็ให้รู้จักว่านอนแต่อย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นแต่สักว่าธาตุว่าธรรมวัคค์เท่านั้นจิต ก, ก็เป็นแต่สักว่าจิตอย่าไปยึดถือ เ, เอาปอเป็นเจ้าของถ้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อจิตไม่สมประสงค์ก็จะเดือดร้อน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 จิตจะเด่นดวงสักเพียงใดก็าตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของจิตจะโง่งเขาสักเพียงใดก็าตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของทำชั้นสูงเราอยู่เหนื้อจิตเราบังคับจิตได้ ส, ม ส, สัมเรามาชาติได้แล้วไปเราไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของจิตเรารู้จิตตามเป็นจริงของจิตเรารู้ธรรมตามเป็นจริงของธรรมแล้วเราส่งคืนทั้งสองอย่างเราไม่ไปขีเ้เราไม่ไปปล้น เรารู้ <us> <anger, S 2> ทั้งอด ok ีตด้วยเรารู้ทั้งอนาคตด้วยเรารู้ในเราเรารู้ผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันผู้รู้ทั้งสามการนี่เราไม่ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อเราไม่ไปยึดถือเอาผู้รู้ทั้งสามการเป็นเจ้าของแล้วเราก็ดับรอบโลกแล้ววิญญาณปฏิสันธิของเราก็ไม่มีอะไรอะไรที่จะไปตั้งอยู่ไม่มีอะไรอาวอ์ที่ไหน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 จึงไม่เป็นเหตุเจ้าเหตุเจ้าผลปัญหาของเราจึงหมดไปไม่สอดแทรกตนเองมาให้ปิดทุกข์ทำให้นสูงที่สุดนี่เหตุฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงปลารบว่าบางแห่งสมาธิล่นล้วนก็มีรถนิดเดียวเท่ากักบไม้ชำละฝันท่านพูดนะในที่พูดนี้ท่านไม่ได้พูดประมาท ธ, ธรรม ท่านพูดตามเป็นจริงของธรรมะชั้นสูงเหตุเช่นั้นพระบร ม, ม ศ, าศาสดาจึงไม่ได้ติดอยู่ในที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ได้ติดอยู่ในรูปไม่ได้ติดอยู่ในอารมูปเพราะไม่ได้ไม่ติดอยู่ในรูปเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็เพ่งเฉยๆเพ่งอารูปเป็นอารมณ์ก็เพียงเฉยๆแต่ไม่ติดอยู่